อาไปนั่งนั่งฟังสักหน่อยไม่มากหรอกไม่ยาวธรรมะของพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วไม่ไม่มากไม่ยาวไม่ยาวมากแต่เมื่อรับทราบไปแล้วนะั่นให้เป็นหน้าที่ของทุกคนที่สมควรจะทำคือนำไปประพฤติปฏิบัตินั่นแหละตัวนั้นสำคัญมากแล้วจะเกิดผลก็เมื่อตอนนั้น <c oughs> วันนี้ก็เราต้องถือว่าเป็นวันพิเศษ อีกวันหนึ่งเถอะเพราะนานๆจึงจะได้มาพบกันโดยเฉพาะอัตรมาก็ไม่ใช่ไม่ไม่สันทัดในการที่จะไปแสดงทำอะไรที่ไหนก็ใครเขาหรอกนะว่ในขณะนี้ก็ยังไม่ถือว่าแสดงทำอะไรก็าที่ถือว่ามีความเห็นว่าพวกเราทั้งหมดรวมทั้งอัตฉริภาพทั้งครูบาอาจารย์ที่มา แล้วก็ท่านเจ้าของท่านประธานทีบ่บริษัททั้งหมดเนี่ยเราเราเป็นหมู่คณะเดียวกันจริงๆแล้วก็คืออย่างนั้นแหละเป็นหมู่คณะเดียวกันจริงๆโดยอย่างน้อยที่สุดก็ในยุคนี้แหละในสมั ย, น, ยนี้ยุคเนี้ยเป็นหมู่คณะอันเดียวกันเพราะฉะนั้นการที่เราได้มาพบกันแล้วพูดคุยกันนี่มันมันก็ถือว่าเป็นเอ่อเป็นโอกาสเป็นโอกาสที่ ท, ที่ดีทีเดียว ชีวิตที่เกิดมาในโลกมันมันไม่ใช่ยาวนานนั่นประการหนึ่งแล้วการดำรงชีวิตโดยเฉพาะในยุคนี้สมัยนี้น่นนะมันยุ่งเหยิงแล้วชุนละมุนมากจนกระทั่งใครใครกับใครก็ไม่รู้ว่าทําอะไรอยู่แล้วตนเองจะทายังไงสถานะของตนเองคืออะไรตนเองเกิดมาด้วยเหตุผลอะไร แล้วจะมาทำอยู่ที่นี่ทำเพื่ออะไรก็ไม่รู้บางคนแถมยังมีอีกมาแล้วก็มีสิ่งแวดล้อมอะไรต่างชักชวนเราทำให้เ พ, เพลิดเพ ล, ลินรุ่มหลงคุณลมุนต่อไปอีกนะมีสุรายาเมอมีอะไรเอกอกเกเลอแขหาชักชวนเอาเราไปอีกเนเหล่านี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นเราบางทีเราอาจจะเผลอพลไป หรือว่าลืมตนลืมตัวไปยี่ก็ได้การที่เรานา น, านๆได้มาพบกันสักทีหนึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสดีชีวิตไม่ยาวชีวิตคนเรานี้ไม่ยืนยาวนักบางคนก็บอกยืนยาวยี่สิบส0มสิบสิบห้าสิบปดสิบ้าีต่างเยอะที่จริงไม่ยาวถ้าเราทั้งหลายได้อยู่ไปจนอายุประมาณสักห้าสิบหสิบเจ็ดสิบแล้วจะรู้ว่า จะรู้ว่าเวลานี่ไม่ยาวเลยโดยเฉพาะชีวิตของเราถ้าใครจะได้เคยเคยอ่านข้อคิดของบางบางท่านบางคนที่เขากล่าวไวนะ้น่าคิดอยู่ทางฝรั่งเขาว่าความรู้สึกต่อวันเวลาของคนเนี่ยมันจะเท่ากับเศษหนึ่งส่วนอายุเราลองไปคิดดูถ้าอายุมากเข้าเนี่ยความรู้สึกต่อวัน มันก็สั้นลงเพราะตัวหานมันมันมันโตขึ้นผลลัพธ์ออกมาน้อยแล้วความรู้สึกเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าเราอายุมากขึ้นจะรู้สึกว่าวันนี้เดี๋ยวเดียวก็คั่มแล้วอเงี้ยเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวคั่มแล้วเดี๋ยวเดียวเนี้ยไปเดี๋ยวเดียวก็ได้อีกปีหนึ่งแกลงไปอีกเพราะฉะนั้นที่ว่าเจ็ดสิบแปดสิบห้าสิบหกสิบอะไรไม่นานนะไม่นานเดี๋ยวเดียวจนได้แล้วนะ อย่างพวกเราได้ยี่สิบสมสิบนี่อีกไม่นานละสี่สิบห้าสิบไม่ไม่ทันนานนะ่ะได้แน่แน่การเวลามันจึงเป็นของสั้นของน้อยทีนี้ให้เราเจะจะองยกธรรมะข้อหนึ่งที่ท่านกล่าวไว้นะ่ะท่านบอกว่าอุปนิยติโลกโกโลกของเราเนี่ยท่านบอกว่าสรรพสัตว์เนี่ยโลกคือสรรพสัตว มีชราตอนไปอยู่ฉั้นว่างั้นนะเราลองฟังคํานี้มันจะจริงไหมนะจะเกิดมาอยู่ในครอบครัวอะไรยศถาบรรดาศักย์อะไรเงี้ ย, น ะ, ยนะเมื่อเกิดมาแล้วนี่ความแก่ความเท่าความชรามันก็ต้อนเขค่อยต้อนไปต้อนไปต้อนไปนี่ก็คือว่าอายุเราก็ได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะคนที่ว่าได้ได้นะี่ความจริงเนะี่ยมันต้อนเข้าไปสู่ปลายทางมากขึ้นมากขึ้น เพราะฉะนั้นให้เราให้เราทราบถ้าไม่ได้ลองคิดก็ลองคิดดูเไอ้ข้อนี้ลองคิดดูเรื่องเรื่องนี้ท่านไม่ได้พูดเรื่องไกลเรื่องของเราเนี่ยแหละเราเกิดมาแล้วเนี่ยท่านว่าโลกคือมูสัตอัญชราตอนไปอยู่ก็หมายความว่าเร า, เราทั้งเราทั้งโลกนี่แหละ ความความแก่ความเท่าความชราภาพนี่มันจะต้อนไปต้อนไปสู่นู่นและต้อนไปสู่ที่สุดที่สุดของของของสภาพของภาวะของชีวิตในโลกนี้นะก็จะถึงความตายนั่นนั้นมันอยู่อีกไม่นานที่เราเกิดมานี่ถ้าผู้ใดได้สังเกตมาเรื่อยๆอายุผ่านนี้ก็จะสังเกตเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามา มาได้พบได้เจอได้ทำอะไรขึ้นมา ต, ติดต่อกันมาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราคิดว่ามันสนุกสนานและเป็นสิ่งที่ได้นั่นนะถ้าไปสักหน่อยแล้วจะลองสังเกตดูสิ่งต่างๆไม่มีอะไรหยุดยั้ยงสิ่งที่เราว่าดีว่าได้หรืออะไรต่างๆนั้น น, นมันเป็นสิ่งชั่วคราวทั้งหมดนะอันนี้พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจัง น, นิจจังคือความหมายว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะมันอยู่มันไม่อยู่อย่างนี้ตลอดไปมันอยู่จิ๊กเดียวแล้วมันก็ขณะอื่นก็เป็นอย่างอื่นไปแล้วอันนี้คือความหมายอจังและทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างนั้นด้วยจริงๆเราทั้งหลายถ้าเผื่อมันทุกสิ่งทุกอย่างเป็นนิจจังนะคือมันอยู่นิ่งอยู่อย่างนั้นตลอดนะเราก็คงยังไม่โตอันนี้เราโตมาแล้วพอมาถึงตรงนี้เราคิดว่ามันจะไม่อยู่ตรงนี้ ให้คิอย่างนั้นให้คิดว่ามันม่อยู่ตรงนี้มันจะค่อยๆแก่เท่าร่างกายแก่เท่าไปอีกไม่ท่านนานเมื่ออายุเท่านั้นเท่า น, นี้แล้วเขาบอกแก่มากหกสบเขาให้กเกษียณในสังคมเขาบอก60แก่เท่ามากแล้วเกินใชอ้ออกไปอยู่นอกกระด้งขอบกระด้งนู่นก็ อ, อบอีลาเกษียณอย่างเงี้ยนะอันนั้นไม่ทันนานเราทั้งหลายก็จะมีสภาพอย่างนั้นแหละ คนนั้นให้ทุกคนใครคิดก็ได้คิดไม่ได้ยังไม่ได้คิดใค้คิดดูทีนี้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วจะทำไงท่านบอกว่าเมื่อเกิดมาแล้วเรามีโอกาสระยะหนึ่งอย่าได้คิดว่านานเมื่อมีโอกาสแล้วอย่างนี้โอกาสมันน้อยเวลามันน้อยนีย่ให้ทำสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ที่เป็นบุญเป็นกุศลเราอาจจะคิดว่าทำอย่า ง, งานาั้นก็ดีทอย่า ง, งานี้ก็ดีอย่างงู้นก็ดีอะไรต่างๆบางคนก็มี ความถนัดในการทําชั่วทําบาปทำลักเล็กขโมยน้อยเป็นขโมยโจรอะไรพวกนั้นหรือช่อโกงอันธถานเขาคิดว่าอางั้นเป็นทําดีแล้วในที่สุดสิ่งเหล่านั้นจะได้นํามาก็คือบาปแล้วก็ความทุกข์ความทุกข์แก่ตนเองมีนำซ้ำความทุกข์แก่ผู้อยู่รอบข้างแใ่สังคมอไรเนี่ยพระพุทธองค์ตรัสว่าที่จะดีที่สุดที่จะทบุญเราเป็นพุทธศาสนิกชน อย่างน้อยที่สุดในโอกาสนี้เรามีเป็นเรียกว่ามีโอกาสดีที่สุดแล้วเรานีมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นคนสัตว์ต่างๆอีกมากมายได้มาได้มาเกิดแต่ไม่ได้เป็นคน <c oughs> เหมือนเราเป็นมนุษย์เหมือนเราเราเกิดเป็นมนุษย์เป็นคนแล้วยังครบถ้วนอุปกรณ์ต่างๆครบถ้วนหูตาอะไรยังฟังดูก็มองก็เห็นฟังก็ได้ยินฟังแล้วก็ยังพูดกันรู้เรื่อง พอจะพูดอะไรก็พูดกับเรื่องดูอะไรก็เข้ า, ขาใจเนี่ยมันดีแสนดีแล้วเราจะได้เห็นเมื่อไรคนที่เกิดมากระจอกงอแง ไ, งไม่ไม่เต็มบาทไอ้พันนี้นนะ่ะแต่เราก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่มันโชคดีแล้วที่สาคัญที่สุดก็คือเราเกิดในบวรพระพุทธศาสนาในสมัยนี้พระพุทธศาสนายัางดำรงมั่นคงแจ่มชัดอยู่ในประเทศเรานะแต่ก่อนนี้จเจริญกว่า น, นี้ แพร่หลายมากกว่านี้ผู้คนรู้จักแล้วก็ปฏิบัติธรรมมากกว่านี้มากมายนะที่นี่ก็ <c oughs> ค่อยถดถอยลงแต่ว่าพอมาถึงสมัยเรานี่ก็ยังมีอยู่ต่อไปข้างหน้าลักษณะความแพร่หลายของพระพุทธศาสนาเนี่ก็ยะอนลดลงไปลดลงไปอีกเรื่อยๆเราก็ในโอกาสที่ดีๆแล้วน่าจะฉกจะถั่วไว เพราะนั้นคุณธรรมต่างๆที่ท่านกล่าวในพระพุทธศาสนาเนี่ยเมื่อเรามาพบแล้วให้เราคิดเถอะว่าตัวเองเนี่ยมีบุญมีกุศลมีคุณงามความดีมากในในสมัยก่อนไ ด, ไ ด, ไ, ดได้ทําคุณงามความดีมากมิฉะนั้นจะไม่ได้มาเกิดที่มันสะดวกสบายแล้วก็พบพระพบุทธศาสนาอย่างนี้สรุปแล้วก็คือว่าให้เราเข้าใจว่าพวกเรานี่ได้มาอยู่ขณะนี้เป็นผู้เป็นคน เป็นพุทธศาสนิกชนให้เข้าใจว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นพุทธศาสนิกชนมานานแสนนา น, านหลายภพหลายชาติและชาตินี้ก็ยังได้มาเป็นพุทธศาติกชนไปต่อไปอีกเชื่อฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราเคยให้ความเคารพเคยเชื่อฟังเคยเคารพนับถือเชื่อฟังเนี่ยมานานแล้วแหละเนี่ยให้เข้าใจอย่างนั้นมิฉะนั้นจะไม่ได้มาอย่างนี้ไม่ได้มาพบพระพุทธศาสนา เมื่อมาพบแล้วอย่างนี้โอกาสดีอย่างนี้เน้นหาได้ยากให้เราเฉวยโอกาสอันนี้แหละทําประพฤติประโยชน์ตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งมีมีไม่มากคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่มีสามข้อสัพพ ป, ปาปัสสะกระารนังความไม่ทําบาปทั้งพวงกุศลสูร้ระสานบัตความบําเพ็ญทำกุศลให้ถึงพร้อมทําบุญกุศลด้วยประการต่างๆให้ถึงพร้อม เราสัจจิตต ป, ประโยชน์ถปนังทำจิตของตัวให้ผองแผ้วมีอยสามข้อเท่านี้ทีนี้การทําของแต่ละขั้นแต่ละขั้นนนั้ก็ไม่ได้ว่าต้องมีบรรทัดฐานจงทําเท่านั้นเท่านี้ต้องให้ได้เท่านั้นเท่านี้ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นขอให้เราทั้งหมดเนี่ยคิดว่าเรามีความสามารถขนาดไหนให้ทําให้ถึงที่สุดของเราเพราะเราโอกาสจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วรู้ความอย่างนี้เนะี่ยพูดกัน ร, รู้เรื่องอย่างนี้แล้วพบพระพุทธศรราสนาอย่างนี้นะมันยาก เมื่อยากแล้วมาเจอแล้วรีบตั้งใจออกตั้งใจเอาอย่าไปเสียเวลาเพื่อการอื่นมากมายนะการละเว้นความชั่วท่านก็ตัดไว้ตัดไปแล้วว่าก็การรักษาศีลศีลก็มีศีลห้าศีล8ปดศีลส0บศีลสองรยสบ็ดสำเราสหรับเราพุทธบริษัทเป็นพื้นฐานรักษาศีลห้า พระพุทธองค์ได้ตัดไว้ในหลายที่นะว่าคนเราที่ยัได้เกิดมาเป็นคนได้เนะี่ยเป็นเป็นคนนะต้องมีศีลท่าต้องเป็นผู้มีศีล5าจึงได้มาเกิดเป็นคนเพราะนั้นให้เราเข้าใจนะว่าเราที่เกิดมาเป็นคนเนะี่ยเราเคยรักษาศีลอย่างเคร่งครัดมาแล้วในชาติปังก่อนแน่นอนจึงได้เกิดมาเป็นคนมิฉนั้นจะไม่ได้เกิดเป็นคนหรอกสรรพสัตว์เยอะแยะเราจะได้เกิดเป็นพวกนั้นแหละ แต่เราได้เกิดมาเป็นคนที่แสดงว่าเราได้ระเบนความชั่วคือได้รักษาศีลโดยเฉพาะศีลห้านี่เป็นมาตรฐานยืนยันนะการันตีนะว่าเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นคนแน่นอนนะเนี่ยอย่างนี้อันหนึ่งนะให้จำไปเพราะฉะนั้นแรกสูตนี้ท่านบอกระเบนความชั่วนี่เราคิดว่าความชั่วคืออะไรยังไง ยังนึกไม่ออกก็เอาเอ า, เอาหยาบหยาบก่อนเอาง่ายๆก่อนรักษาสินห้าเข้าใจว่าสินห้านี่พวกเราก็าคงจะรู้กันทั่วแล้วสินห้านี่คือไงปนาติปาตาเวลมณอยทินาทานะเนี่ยก็คงจะรู้กันแล้วขอให้ทราบว่าการรักษาสินหานี่แหละเป็นเหตุให้เราได้โอกาสดีอย่างนี้นะคนให้เข้าใจตนเองไวเป็นหลักสะ ก, ก่อน เร า, ามาแล้วเราได้ดีแล้วอย่างนี้อย่าปล่อยโอกาสให้ตั้งใจรักษาศีลต่อไปที่นี่จะเล่าเรื่องหนึ่งฟังว่ามันมีในอัตตกถาพระไตปิฎกนั้นว่าบางคนจะว่าไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ผิดศีลศีลนะก็ไม่ทำไม่ได้ไดรักษาไม่ได้อะไรนะแล้วก็คือแค่ว่า ความชั่วก็ไม่ได้ทำบุญกุศลก็ไม่ได้ทํางความชั่วก็ไม่มีความดีก็ไม่ไทําเนี่ยเขานึกว่ามันจะทรงอยู่อย่างนั้นตลอดมันจะดีตลอดไม่ใช่นะพระพุทธศาสนาเราสอนว่าละความชั่วแล้วยังต้องประพฤติความดีเป็นบุญเกุศลต่อไปมันมีสมัยโน้นก็มีเศรษฐีท่านหนึ่งนะชื่อว่าอนันตเศรษฐีหรื อ, อยังไงนี่นะ แต่ก่อนเป็นเศรษฐีมหาศาลดีแล้วเงินเยอะแยะแต่ขี้เหนียวบรรเลยเนี่ยขี้เหนียวมากไม่บริจาคไม่ทําอะไรเนะไม่ทําบุญทาทานไม่ทําอะไรต่อขี้เหนียวเนี่ยรักษาศินี้ก็ไม่รักษาไปาพอตายไปไปเกิดเป็นสุนัขเป็นสุนัขแล้วเฝ้าอยู่แถวนั้นแหละเพราะว่าหวงทรัพย์หวงทรัพย์ ส, สินเจ้าของเนี่ยที่นี่ พระพุทธเจ้าไปบินธบาตกับพระอ น, นุนก็ไปแล้วก็ยิ้มพระพุทธเจ้ายิ้มเนี่ยมันก็มีเหตุนะตามธรรมราพระพุทธเจ้าจะไม่ยิ้มไม่เริงร่าอะไรหรอกพระพุทธเจ้าจะไปสงบเงียบสำรวมถ้าถามว่าเป็นเพราะอะไรท่านเลยเล่า ว, ว่านั่นหมาตัวนั้นน่ะนั่นน่ะเศรษฐีอนันตเศรษฐีเหมือนน่ะก็เลยเศรษฐีก็ไม่เชื่อก็เลยใน ก็เลยมีการว่าเออเอามายืนยันก็ไอเรียกพระราชามาใครมานะแล้วก็มายืนยันอนตมาเราไม่ละเอียดนะเราจําไม่ ไ, ได้ทีนี้ก็ว่าทําไมถึงจะเชื่อได้ว่าพ่อของข้าพเจ้าเกิดเป็นหมาก็าตายไปตั้งหลายเดือนแล้วนะแล้วพระพุทธเจ้าก็เลยท่านบอกเลยนะหมาตัวนี้คืออนันตเสรษฐีนะ ที่นีไอ้ลูกที่เป็นเศรษฐีก็ไม่เชื่อ เ, เลยบอกว่าพระพุทธองค์เลยว่าเอาอ น, นันตเศรษฐีเจ้าไปชี้ทีทรัพ ส, สมบัติที่เจ้าฝังไว้ไม่ได้บอกลูกมีไหมม้ามันก็นำไปไปคุยๆๆตรงนั้นตรงนั้นอะ่ะไปขุดขึ้นมามีมีทรัพ ส, สมบัติ จ, จริงๆสองสามสี่ห้าลูกเนี่ยก็เลยเป็นอันเชื่อว่าอ่าเป็นเกิดเป็นไม้จริงๆทีนี้เขามีคำถามว่า ก็ในเมื่อคนก็ร่ำรวยอย่างนั้นนะแล้วก็บาปบาปก็ไม่ได้ทําแต่ศีลไม่ได้รักษาไม่เคยรู้จักอภิญญาภคุณนั่นไม่ได้รักษาศีลนี่ยไม่รู้จักเพียงแต่ว่ามันไม่มีโอกาสที่จะไปทําไม่มีโอกาสที่จะไปรักของเพราะมันร่ํารวยสิจนไม่ไม่ต้องไปทําพันอย่างนั้นก็เลยไม่เห็นประโยชน์ของศีลคนอย่างนั้น่ะ แล้วทำบุญกุศลอื่นจะไปทำทำไมขี้เหนียวจะตายไม่มีการบริจาคไม่มีการอะไรช่วยเหลือใครนั่นก็เป็นเหตุให้เขานไปเกิดเป็นหมาเพราะความที่ไม่มีศีลไม่ได้รักษาศีลศีลห้าไม่มีก็เลยไปเกิดเป็นหมาส่วนความร่ำรวยเนะี่ยมันจะไปร่ำรวยก็ยังอยู่ในหลุม น, นั่นนั่นความดีไม่ปรากฏก็ไม่ได้ไปเกิดเป็นเทพเป็นอะไรอย่างอื่นต่อไปก็เลยไปตกลงไปเกิดเป็นหมานะ เพราะนั้นที่ที่เราฟังเล่าหยาบๆมันก็จำได้ไม่ไม่ไม่แม่นยำนะก็เป็นเหตุให้สรุปว่าคนเราที่เกิดมานี่ต้องมีการรักษาศีลไม่ใช่ว่าเราไม่ไทาชั่วไม่ได้ทาอะไรนี่แล้วก็ไม่เป็นไรอย่างนี้นะให้ให้แต่ละวันแต่ละวันแต่ละคืนทุกขณะให้พยายามระลึกในใจเสมอว่าเราจะระมัดระวังการระมัดระวัง ในจิตเราตั้งใจไว้ระมัดระวังไม่ให้ผิดศีลการระมัดระวังนี่แหละคือศีลเพราะฉะนั้นให้เราพุทธบริษัททุกคนทุกคนเนี่ยใครจะรู้ยังไม่รู้กัแล้วแต่แต่ว่าให้เข้าใจว่าตนนี้คือพุทธบริษัทที่ดีให้รักษาศีล น, นะเป็นข้อเบื้องตน้นศีลเอาศีลห้านี่แหละรักษาศีลห้าแล้วจากนั้นอีกข้อที่สองทําบุญทำบุญศลต่างๆ ก็มีการให้ทานลักให้ทานบ้างจเจริญเมตตาอะไรต่างๆเหล่านี้นะให้ทานช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือคนช่วยเหลือสังคมอะไรต่างๆเหล่านี้ให้มี้มีการเกื้อกูลอะไรที่เป็นบุญน่ะให้ทําแล้วที่นี้ท่านว่าวันวั น, วนหนึ่งนี่ล่วงไปล่วงไปเช้าถึงเย็นถ้าไม่คิดถึงการาประกอบความภากคมเพียนฝึกฝนจิตใจของตนเองเลยน่ะนะ เราถึงเราจะได้ร่างกายที่แข็งแรงแข็งแรงมีเรี่ยวมีแรงงดงามกำยำรำ่ำสารแข็งแรงอะไรต่างๆเหล่านี้นะผ่องไสอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ในที่สุดสิ่งเหล่านี้จะไม่ได้อะไรเลยเพราะฉะนั้นท่านจึงให้มีการปฏิบัติธรรมมีการภาวนาเพรา ะ, ะนั้นเราอามาร็มาขอเสนอว่าขอให้ทุกคน ที่มาในที่นี่ให้มีการประพฤติบัติตามคําสั่งสอ น, นของพระพุทธเจ้าให้มันครบสามข้อนนี่แหละให้ตั้งใจรักษาศีลเนี่ยก็คือรักษาให้ให้เรามีความล้ำลึกล้ำลึกถึงว่าเราจะระมัดระวังไม่ให้เราผิดพลางในข้อนั้นข้อนี้ศีลห้า น, นั่นแหละนะและ้วก็ข้อที่สองให้มันทําคุณงามความดีต่างๆมีการเกือเ้อกูลกรุณา ต่สรรพสัตว์ทั้งหลายก็อมูต่อพวกให้มีความเกื้อกูลต่อกันมีการบริจาคทานให้ทานใส่บาตรนี่เป็นก็ เ, เป็นยกตัวอย่างนะนอกจากนั้นก็ให้ทําบุญทําทานกับคนที่อยากไร้ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นการทําบุญทาทานต่างๆเหล่านี้นะมันมันมันเป็นอุปกรณ์อุปกรณ์เอ่อเป็นเหมือนสเสะเบียงกลางตราบใดที่เราเรงไม่พ้นทุกจะ หมดจากคุมิเชานี้แม้เราว่าตายไปนั่นจิตยังต้องเที่ยวไปอยู่ตราบใดไปเกิดที่ไหนน่นผลของบุญของทานนี่แหละมันจะเป็นเหตุที่เราไปเกิดแล้วมีสภาวะที่ดีจะได้สภ า, ภาวะที่ดีสภาพที่ดีดีกว่าเดิมนี้สะดวกสบายกว่าเดิมนี่นแล้วที่เหลืออีกอันหนึ่งือตั้งใจภาวนาให้ทุกคนน่นตั้งใจภาวนาให้เข้าใจว่าร่างกายนี้ไม่ไปแน่นอน ยังไงเสียจะเจริญรุ่เรื่องอย่างก็ตกอยู่บนโลกนี้เมื่อเราเมื่อตายจิตออกจากร่างไปแล้วเมื่ อ, อไหร่ร่างกายจะเริ่มสลายเริ่มแตกเริ่มสลายโดยกรรมวิธีของเขานะี่ยจะเกิดมีเน่ามีพองมีเปื่อยแล้วก็ค่อยๆ ย, ย่อยสลายออกไปนะไม่มีอะไรเหลือสิ่งที่จะไปออกจากภพนิชชนนี้แล้วก็คือจิตใจเราถ้าเรามาด้วยขณะสภาพจิตใจแค่นี้ แล้วจะออกไปจากภพนี้ชาตินี้ซึ่งผ่านมาตั้งแปดสิบปีเนี่ยแล้วไปเท่าเก่าอยู่เนี่ยแล้วก็ไม่ได้อะไรเราลองคิดดูสิมันควรจะได้อะไรมั่งสิมาในภพนี้ไม่ใช่ไม่เสียนี่นะเราเสียเวลาเสียอะไรอะ่ะเวลานี่มันถ้าเปรียบเป็นเงินเป็นทองเปรียบกันไม่ได้เราเสียไปตั้งแปดสิบปีหกสิบปีห้าสิบปีเนี่ยเราได้อะไรตอบแทนไหมร่างกายได้เลิกก็อย่างที่ว่าไม่ได้สัก ่เดียวว่าไม่ได้เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงแนะไว้อยู่ว่าให้ภาวนาภาวนานี่คือฝึกจิตฝึกจิตฝึกใจต้นทุกคนในนี้มีจิตมีใจเท่ากันทางนั้นนะวันนี้จะบางคนจะว่าว่าภ า, ภาวนาดียากไม่รู้จะทำไปคือจะทำไงวันนี้จะเสนอวิธีภาวนาเอาแบบชาวบ้านเอาแบบชาวเรานะเอาแบบชาวเรา ฝึกจิตฝึกใจนี่มีสองอย่างอย่างหนึ่งคือฝึกให้มันให้มันเข้มแข็งจิตใจเข้มแข็งอย่างที่สองจะฝึกให้มันฉลาดฉลาดเฉลียวทันการทันเหตุทันการ อ, อย่างที่หนึ่งฝึกจิตฝึกใจให้มีมีกำลังเข้มแข็งคือฝึกสมถะสมถะนี้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะกับสมาธิเออกับสติสัมปชัญญะกับสมาธิอ่สมถะ ที่พูดอย่างนี้มันเป็นภาษามันคืยอยากหน่อยเอาง่ายๆว่าให้เราฝึกจิตโดยโดยอย่างนี้จิตใจที่เรามีนะี่ยมันมีการนึกการคิดที่เราเกิดมาเราไม่มีการฝึกมันเราได้ยินแต่คนโน้นคนนี้สอนนั้อย่างนั้นอย่างนี้มันก็ไปตามเขาซึ่งการสอนของผู้คนต่างๆชี้ชวนให้จิตเราให้ตัวเราเนี่ยไปเที่ยวรู้ข้างนอกมดทุกอย่าง เราจึงไปรู้ดีนักรู้ขณ orb คนนั้นไม่ดีคนนี้ชั่วคนนั้นสวยคนนี้ขี้เลนะไปรู้เรื่องเมื่อวานไปรู้เรื่องวันก่อนบางแห่งไปรู้ที่เขาไปดวงจันทร์อะไรยังไม่เคยไปเลยซ้ำนะก็ไปรู้นู่นเราไปรู้ที่อื่นดีแต่ว่าการกลับมารู้ตัวเองเนี่ยเนะ่ายังไม่เคยทําเลยและการกลับมารู้ตัวเองเนี่ยจิตรละลึกกลับขึ้นมาที่ตัว เมื่อไรอะไจะเกิดความรู้ตัวขึ้นเรานั่งอยู่เนี่ยถ้าเราไม่เลย่ลึกกลับมาเนี่ยไม่มีใครรู้ตัวว่าขณะนี้ตนเองนั่งอยู่ยังไงหรือยืนอยู่ยังไงแต่ถ้าพอฟังนี้ปั๊บก็เลืลึกมาเอตูข้าดูอีท่าไหนเนี่ยมันจะรู้ทันทีว่าเราในโคงกานั่งอยู่บางคนก็นั่งขัศมะบางคนก็นั่งสมาธิเอ่อก็นั่งพระเพียบยมันก็จะรู้เียนี่เรียกว่าความรู้ตัว ให้เราฝึกการและลึกเลยแหละให้มันมันและลึกกลับมาดูตัวเองกลับมารู้ตัวเองพอมาแล้วมันจะรู้ว่าเราเองนี่อยู่สภาพไหนนั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่อยู่อย่างเงี้ยการรู้อย่างงี้ไประยะหนึ่งจิตของเราเนะี่ยทุกคนทุกคนทุกจิตนี่ยแหละจะมีกําลังมันจะมีกําลังแสดงออกโดยการจิตใจเรารู้สึกมั่นคง ไม่ค่อยโว้ไม่ค่อยโกรธค่อยเครืองไม่ไม่วาดไม่วันไม่เชงนสนเท่ไม่วาดไม่วันไม่เครืองอะไรเนี่ยมันจะร่มเย็นขึ้นโดยการฝึกแค่นี้แหละฝึกระลึกกลับขึ้นมาแล้วทรงความรู้ตัวไว้เมื่อระลึกกลับมาแล้วรู้ตัวแล้วก็รู้ตัวอยู่นิ่งๆอย่างนั้นแหละหัดอย่างงี้หัดระลึกกลับมาแล้วรู้ตัวอย่างเงี้ยรู้อยุดคนเดียวอันนี้ไม่ต้องไปพึ่งอะไรใครที่ไหน เวลาเวลาไหนก็หัดลึกขึ้นมาเลยเราเดินไปเดินมาเนี่ยไม่ต้องไปรอก่อนให้มันมีเวลายาวสักสิบโมงอะไรไม่ต้องอ่ะเราเดินไปเดินมาเนี่ยจะเดินไปล้างมือเดินไปเข้าน้ำเดินไปกินข้าวเจะเดินจากที่นี่ไปเข้าห้องนอนเนี่ยเดินไปที่กบกําหนดมาเลยรู้ตัวมาว่าบัดนี้เราเดินอยู่เนี่ยแล้วก็รู้ไปจนไปถึงเดินไปถึงที่ที่เราจะล้างมืออ่ะ กำลังมือกดอยู่ตรงนั้นแหละก็รู้ตัวอยู่ว่าเรากําลังล้างมืออยู่นั่นเนี่ยทาอย่างนี้แหละเป็นการฝึกจิตฝึกใจทําอย่างนี้แหละมันจะได้สติสติคือการระลึกเนี่ยกมันจะอยู่ตรงนี้แล้วสัมปชัญญะคือความรู้ตัวมันก็จะอยู่ตรงนี้นทีนี้เมื่ออยู่ตัวนานๆเข้าจิตมันจะมีกําลังอันนี้เขาก็เรียกว่ากําลังของจิตแล้วมันเป็นเป็นสมถะ จิตใจมีกำลังแล้วมันจะมีความมัน่นคงไม่บวอแวไม่อ่อนแอไม่บาดปานบาดกลัวเนี่ยเนี่ยจิตมีกำลังแล้วอย่างเนี้ยคุณภาพของชีวิตเราเพิ่มขึ้นมาเยอะเราจะทำงานทำการอะไรก็เต็มไปด้วยความมีมีกำลังมีความก็โดยเฉพาะจะรู้สึกว่า เ, เราสดชื่นไม่หอ่อเหี่ยวไม่ไม่เกิดเครียดเกิดอะไร นั่นแหละมันจะรู้สึกอย่างนั้นซึ่งเป็นความสบายของเราจะได้รับความสบายเนี่ยให้ฝึอกอย่างเรีหัดภาวนาอั น, นอันนี้เป็นข้อเสนอนะเป็นข้อเสนออาจจะใหม่หรืเอเก่าแต่ว่าจริงๆแล้วต้องฝึอกอย่างนี้แหละฝึกให้มีความรู้ตัวอยู่ที่ตัวเองก็โดยรละลึกกลับมาหมั่นรละลึกกลับมาหาตัวเองแล้วก็จะรู้ตัวนแล้วก็ มันทรงความรู้ตัวเมื่อรู้แล้วก็รู้ตัวอย่างนี้อยู่นิ่งๆนิ่งให้มันได้นานๆเมื่อนิ่งนานได้นี่เขาเรียกว่าสมาธิอันนี้ก็เป็นแล้วฝึวกสมาธิก็เป็นแล้วถ้าจะถามว่ามันเหมือนกับไหมกับผู้ตัวเหมือนกันไหมเหมือนกับอานาปนสติเหมือนกันเหมือนกันเลยมันจิตมันอยู่คําว่าสมาธินี่คือจิตตั้งมัน่นเมื่อจิตไม่ไปไหนคือจิตตั้งมัน่นนี่เรารู้อย่างนี้แล้วเราทํา ที่นี้ที่ท่านว่าท่านจิตมีพลังมากอะไรยางไรรวมแล้วแขงปกจิตนิ่งอะไรเงี้ยนะก็ไปจากตรงนี้แหละเมื่อท่านรวมอยู่มากๆสมาธิมากๆขมแล้วก็เป็นกรอบเป็นกรรมมันก็มากก็เป็นสมาธิมากสมาธิมากเราเอาไปใช้ทำอะไรมากมายอย่างเช่นว่าบางที่บางแห่งเขาที่ไม่ใช่แบบพระพุทธเจ้านะ่ะ เขาก็ฝึกสติฝึกจิตจิตรวมอยู่มีสมาธิแล้วเนี่ยเขาสมาธิไปใช้ทำประโยชน์ต่างๆไปเพ่งนั้นเพ่งนี้เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยให้เกิดหายโรคในโลกนี้ก็ได้สารพัดอยู่แม้กระทั่งการทำน้ำมงน้ำมนอะไรต่างๆเหล่านี้เขาก็ใช้อย่างนี้เลยจิตที่มีกำลังนี่เละเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่พวกเราชาวพุทธ สมควรจะรู้ที่จริงพวกเราก็เคยฝึกกันมาแล้วในปางก่อนเคยฝึกกันมาแล้วเคยรักษาศีลนีเคยเจริญสมาธิเคยทํากันมาแล้วทั้งนั้นเพียงแต่ว่าชาตินี้อย่ามามัวหลงอยู่อย่างอื่นอย่าไปมัวหลงเพลิดเพลินอย่างอื่นอะไรต่างๆที่ทางวงการหรือว่าทางบริษัทของเรา ท่านได้จัดให้เกิดให้มีขึ้นกิจกรรมโดยเฉพาะเกี่ยวกับทางพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีทั้งหมดไม่ใช่ว่าบางส่วนดีดีทั้งหมดของพระพุทธศาสนาเนี่ยผู้ที่จะได้มาประพฤติปฏิบัติหรือมาอยู่ในใตล้ลมเงาพระพุทธศาสนานี่ถ้าจะพูดอย่างตรงไปโสมมาก็คือบคุคคลที่สมควรเท่นั้นสมควรต่อพระพุทธศาสนาจริงในมาเกิดถ้าไม่ถึงนี่ ก็ไม่ได้มาเกิดในบวรพุทธศาสนาจะได้เกิดในศาสนาอื่นศา ส, สนาอื่นนั้นสอนก็ได้สอนให้เป็นคนดีเหมือนกันแต่ดีในระดับไม่ถึงที่สุดยกตัวอย่างว่าศา ส, สนาพุทธเราสอนไม่ฆ่าสัตว์สัตว์ทุกชนิดไม่ไว่าเล็กวัยใหญ่แลยน้อยประเภทไหนอะไรแต่ว่าบางศาสนาเขาบอกสัตว์บางชนิดนี่ฆ่าได้ไม่บาป ขาดใดไม่บาปเพรานะว่าสัตว์นั้นมันเกิดมาสําหรับเป็นอาหารอย่างเงี้ยสาหรับศาสนาพุทธเราเนะี่ยไม่ไม่ให้มีการไปฆ่าอะไรเล็กๆน้อยก็ไม่ฆ่านั้นศาสนาพุทธของเราพิจารณาที่หมดจดแล้วโดยสิ้นเชิงเราเกิดมาพบแล้วอย่าปล่อยไปเฉยๆวันๆ น, นึงก็ทํากิจน่นทําำกิจนี่สนุกสนานใจไปเรื่อยๆอื่นๆโอกาสที่ จะมีผู้จัดให้มีการชุมนุมหรือว่ามีกลุ่มของเราขึ้นมาอย่างนี้ยากน่นาตาเราทำมาหากินนะ่ะมันมีทำให้เรามีชีวิตทาให้เรามีชีวิตรักษาชีวิตรักษาร่างกายไว้ได้แล้วสิ่งที่ดีกว่านั้นที่เราจะพึงได้เนะี่ยคือการปฏิบัติที่จิตใจนี่แหละไม่ว่าใครทั้งนั้นในนี้นะ่ะไม่ว่าท่านเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือว่าเป็น ที่มาอยู่ด้วยกันเนี่ยให้ถือว่าเป็นกลุ่มเดียวกันถ้าเผื่อเรามาแล้วเห็นว่ามีสิ่งดีๆเกามาแนะนํากันแล้วท่านที่จัดให้มีโครงการมีการอบรมธรรมะขึ้นในหน่วยงานอย่างนี้ก็ท่านเห็นแล้วว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งดีแล้วก็มีความเอื้อเฟือ้อต้องการจะให้พวกเราทั้งหลายนั่นซึ่งเป็นพรักผู้เดียวกันเนี่ยให้ได้มารับรู้แล้วก็จะ ได้ดําเนินไปจะได้สิ่งดีๆไปเหมือนๆกันด้วยกันในพบนิชาตินี้ในเมื่อมาพบกันอีกแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คงจะได้แต่เริ่มต้นอย่างนี้แล้วว่าขอเสนอว่าให้พวกเราชาวพุทธในขณะนี้ที่นี้นะั่นะรับทราบว่าเราทั้งหลายนี่เป็นชาวพุทธก็ถือว่าเป็นชาวเดียวกันเป็นพักพวกเป็นหมู่คณะ เป็นจิตของพระพุทธเจ้าเป็นคนเป็นกลุ่มเดียวกันเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะสม่ําเสมอการพอสมควรจึงได้มาเกิดมาพบเมื่อมาพบแล้วเนี่ยมีอะไรดีๆที่เราจะแนะนํากันในวันนี้ก่แนะนําให้ทราบบาปเราเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเกิดมาแล้วมันก็แก่ไปนะอีกเรื่อเว ล, ลาไม่มากหาเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่เป็นประโยชน์ก็ได้แนะนําว่าขอยฝึกจิตฝึกใจให้ระเว้นความชั่วให้ประพฤติความดีโดยเฉพาะฝึกจิตฝึกใจนี่ก็ได้แนะนําว่าให้ฝึกสติสมาธิต่อไปจะเกิดปัญญาคือความรู้จักไปปลดปรงตนเองออกจากทุกข์นั่นเองเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ถือว่าพวกเรามีโอกาสดีพบกันแล้วตมาก็ขออนุโมทนาต่อท่านผู้ จัดกิจกรรมขึ้นท่านผู้เป็นประธานแล้วก็พวกเราทั้งหลายในฐานะที่เราได้พบกันแล้วก็ความนวยรวยพร อ, อย่างไรเสียพวกเราก็อย่าให้เสียจังหวะเวลาที่มาเกิดแล้วจึงยาวนานอย่านึกว่ามันยาวนานนักนะมันเดียวเดียวมันก็จะหมดไปให้เราคว้าเอาจับเอาถือเอาอะไรต่างๆให้มันได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก่อนจะจากภูมิชา น, นี้ไปก็ เห็นว่าระยะนี้ก็สมควรแก่เวลาทุกท่านทุกคนก็จะมีกิจธระที่ต้องไปทำแต่ให้เขาใจเสมอนะให้ตัวเป็นของตัวอย่ามัวร่องรอยไปตามสิ่งเหล่านั้นจนเกินไปให้รู้จักเ ล, ลือกกลับขึ้นมารู้ตัวเองแล้วเขาเฝ้าดูตัวเองแล้วจะได้รู้เราก็เออจริงๆแล้วเราไม่มีสาระในนี้เราต้องเคลืนคอยไปสู่ความเจราาแล้วก็ ป, ปฏิบัติรรมระมัดระวังตนให้พ้นจากบาปบาปทั้งปวง กำหนดละมัดระวังขอบเขตไว้ด้วยเอาสินหนะ้ากนให้ระลึกถึงสินห้าประพฤติปฏิบัติระมัดระวังอย่าให้ผิดสินห้าแล้วขนขวยตั้งอกตั้งใจทํากุณงามความดีด้วยประการต่างๆและอย่าลืมที่สุดก็คือตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมประพฤติปฏิบัติจิตฝึกฝนอบรมจิตก็โดยเฉพาะฝึกสติสัมปชัญญะจุดเด่นอยู่ที่สติสัมปชัญญะนะ ให้ทุกคนมั่นเ ล, ลึกกรรมมาที่ตนเองและลึกกรรมมาเมื่อรู้ตัวแล้วก็รู้ตัวอยู่ติวเองเพราะพยายามประคับประคองความรู้ตัวไว้ให้ยาวนาน ต, ต่อไปเรื่อยซึ่งอันนี้ไม่ขัดขวางอะไรก็อยู่ที่กายพัฒนาจิตธรรมคือเดินก็มันก็อยู่ที่กายของเรายืนเดินนั่งนอนนี้ซึ่งไม่เหลือวิสัยขอให้ทุกคนทุกคนมีความสุขความเจริญ